أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين ولا عدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب ا الع ر ش ر ح ليصدري ويسرد لأمني وهل ا ل, ت ل ق ت ا من لساني يفقوك لرب زدنا علم ا ل ن ا ف ع ا ورزقن ط ي ب ا و ع م ل ا متقبالن السلام عليكم ورحمت الله وبركاته ก็อัฟราบผู้ันด้วยซักกะว่าจะกรสมงรบิฟาสัลงแตดูซรู่นในชวของลกแาตรัดดุนยาวั้ะหละนี่แหะนี่แหละนี่าละนีะนิลน่ละนีฮแหลนี่และนี่แหละนี่แลน่แหลนะนี่ี่ะน่ะนี่แ่แลนี่แหลนะหลน่ะนี่แหละนีาแหี่นี่แนี่แหน่ะนี่แหละนี่แะนีละลนะ่หละนีหนะนี่ะนหะลน่นะห อัลอาอลลซึ่งเป็นพระนามของผู้ลอสุบฮานหวัวตาลนั่นก็คือผู้ทสรงสูงสง่งซับบิฮิสมารอบปีก่ัลอาอัลละพิรุณขั้นในสุร้อนนี้เป็นสุร้อนที่ว่าพวกเราจะคุ้นเคยกันเพราะว่ามีการใช้มีการอ่านอิหมัมใช้ในการนำละหมาดหลายๆครั้งนะครับผมซึ่งความหมายในยะเนี่ยงดงามมากแล้วก็เป็นการตักเตือนเป็นการบอกกล่าวถึงหลักในการที่เราจะเป็นคนดีให้ผู้ลอสุบฮานหวัวตารักหลักในการที่เราจะทําพฤติกรรมที่มันนั้น เป็นพฤติกรรมที่มีค่าอย่างแท้จริงโบเราใช้คำว่าชัยชนะประสบความสําเร็จอัฟลาฮ่าเนี่ยถ้าเรามองในอีกในแยะหนึ่งอ่ะพี่น้องมันหมายถึงการที่โบเรากําลังบอกให้เรารู้ว่าการงานใดที่มีค่าอย่างแท้จริงในชีวิตของเราครับเราต่างก็พยายามทําการงานอย่างมากมายเหมือนกับที่ล้อกล่าวว่าอินนักการ์ดโดยนิรันดร์พิกากตทําฟอร์มูลากี่มนุษยชาติเอย๋ยพวกเจ้าต่างเร่งรีบในการทํางานกิจการของเจ้าซึ่งมันก็เป็นการเร่งรีบ ที่จะมีเป็นการมหาพระเจ้าของเจ้าโดยอัตโนมัติก็คือเรารีบทำอะไรอยากทำอะไรอยากทาจับพยายามทาำทธท ำ, ทำผลสไลา์ไอ้ที่รีบอยากทำเนี่ยบ้านปายก็คือต้องไปเจอกับผู้ลอสุบฮาห์นะฮูอัตตาลาซึ่งการงานที่เราทำมันก็จะแบ่งเป็นแค่2ประเภทการงานที่ผู้ลอตอบรับกับการงานที่ผู้ลอไม่ตอบรับการงานที่ผู้ลอตอบรับเราก็รอดการงานที่ผู้ลอไม่ตอบรับ เราก็เดือดร้อนซึ่งในชีวิตของเราเนี่ยเราคิดว่าในแต่ละวันเรามีการงานประเภทไหนมากกว่ากันหนึ่งการงานที่บุรรับ2อการงานที่บุรไม่รับซึ่งเมื่อก็ได้บอกไว้ครับว่าการงานที่บุรุษรับเนี่ยมันก็ต้องประกอบไปด้วยกับองค์ประกอบมันก็มีคุณลักษณะมันก็มีเงื่อนไขประการแรกผู้ที่จะทํามันเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่พยายามครองตนแล้วก็ต้องมีสติไม่ปล่อยให้ดุนยาเนี่ยมันกืนกินเขาเข้าไป ว่าดุลยานะครับมันพยายามทุกวิถีทางที่จะกลืนกินเราทําให้เราคอยตามทําให้เราเสียเวลาไปกับมันทําให้เราอยู่กับมันให้มากที่สุดท่าที่เป็ น, ป น, ปนไปได้ ท, ท, ทั้งๆ้งที่มันเป็นอะไรที่ต่ําต้อยดุลยาด้วยชื่อของมันเองนะครับแปลได้ทั้งใกล้ชิด แปลได้ทั้งต่ําต้อยชีวิตในดุนยามีแต่ความเหน็ดเนยมีแต่ความทรมานมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้ามีแต่ความหวาดกลัวมีแต่การสูญเสียมีสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมากมายความสุขนะมีเล็กน้อยแต่เราก็ยึดติดกับมันบาลตุสิรูนัลหายาตะดุนยาแต่ว่าพวกเจ้านั้นได้รับผลกระทบจากชีวิตในดุนยาหรือว่าแต่พวกเจ้านั้นให้ความสําคัญกับดุนยามากกว่า พี่น้องที่รักยิ่งครับนักวิชาการนะครับก็ได้สรุปไว้นะครับว่าการที่เราจะเป็นคนที่ดำรงตนให้มีการงานที่ถูกตอบรับนาะที่พูด loss of b a ตา u ละการที่เราจะรอดพ้นการที่เราจะมองเห็นดุนยาว่ามันเป็นดุนยาอย่างแท้จริงและจะโฟกัสกับอะเคโรได้เนี่ยมีสามอย่างที่เราต้องทำให้ได้มีสามอย่างที่เราต้องทำให้ได้ประการแรกครับ เราต้องเอาความเชื่อที่ผิดๆออกไปจากหัวใจเราให้หมดต่ อ, อความเชื่อที่ผิดๆออกไปให้หมดอันนี้คือจุดเริ่มต้นในการที่เราอยากจะเป็นบ่าวที่ทําความดีแล้วผู้อื่นรอรับพอพี่น้องอย่าลืมครับการงานที่เราทำเนี่ยเราอาจจะหลอกตัวเองเราอาจจะบอกตัวเองว่าเราทําเพื่ออลัลลอฮฺแต่แท้ที่จริงแล้วทุกการงานที่เราทําล้วนทําเพื่อตัวเราเองทั้งสิ้น เพราะเมื่อเราทําให้ พ, ร, พ, พระพหากษัตยเราก็จะเป็นคนที่ได้รับผลดีหรือถ้าเกิดเราฝ่าฝืนพระองค์เราคิดว่าเรามีความสุขแล้วก็ทําเพราะอยากตอบสนองตัวเราเองเพราะฉะนั้นที่สุดแล้วนะครับการงานของพวกเราเบื้องหลังจริงๆแล้วเราก็ทําเพื่อตัวเราเองแต่การงานที่เราทําเพื่อตัวเราเองนั้นจะเป็นการงานที่ให้ประโยชน์เราหรือทําลายเรา เพราะนั่นจุดเริ่มต้นครับสําคัญที่สุดต้องเริ่มจากใจก่อนเพราะถ้าใจสกรปรกรูปอย่างก็จบถ้าเราเคลียร์ให้ใจสะอาดเดี๋ยวเราก็ไปขั้นตอนต่อๆไปทิ่นันชาการบอกครับที่บอกว่าต้องเอาความเชื่อที่ผิดออกไปจากหัวใจให้หมดเพราะอะไรพี่น้องเพราะถ้าเรามีความเชื่อที่ผิดปุ๊บพฤติกรรมเราที่ออกมามันก็ตามจากความเชื่อของเราซึ่งเมื่ อ, อความเชื่อผิดพฤติกรรมก็ผิด เราจะทุ่มทําไปสิบปีพันปีหมื่นปีกี่ปีก็ตามเมื่อมันมาจากความเชื่อที่ผิดมันก็ผิดพี่น้องอย่างมุสลิมบางคนเขียนมีความเชื่อในเรื่องของเชื่อถือโชคลางมีตุ๊กแกทักจริงจกทักจะไม่ดีหรือรู้สึกคันมื อ, อ, อวันนี้น่าจะได้เงินก็เป็นความเชื่อที่ไม่ได้ในคําสอนของอิสลามหรือจะเป็นความเชื่อใดๆก็ตามแต่หรือเรายังมีความรู้สึกที่บอกว่าจะอะไรกันนักกันนักกับเรื่องดุลยาก็อยู่กับมันไปสิ บางคนก็มีความสุขกับงานเลื่อนเลืงของคนต่างศาสนิกทั้งๆที่ว่าจริงๆแล้วศาสนาใครก็ศาสนาเขาก็จุดยืนของแต่และศาสนาก็ชัดเจนอยู่แล้วก็ทําในสิ่งที่เราเชื่อมัน่นแต่มุสลิมเราครับเมื่อเราไม่มีจุดยืนของเราเมื่อใจของเรามีอะกิดาที่ผิดเพี้ยนเราก็พร้อมจะคอยตามกังไปหมดเราอยากจะมีทุกอย่างเราอยากจะมีคริสต์มาสเราอยากจะมีวันส่งท้ายปีเก่าเราอยากจะมีวันวาเลนไทน์ล้วอยากจะมีอะไรที่มันเกี่ยวกับความเชื่อที่มันจะทําร้ายเราเนี่ยเราก็อยากมีหมด เพราะอะไรครับความเชื่อเราผิดเพี้ยนหรือบางคนก็มีความเชื่อว่าจะเป็นมุสลิมเนี่ยศรัทธานเนี่ยอัลลอฮ์ก็พอแล้วก็จบแล้วสิไม่ต้องมีอะไรความเชื่อที่ผิดพฤติกรรมก็ผิดหรือบางคนบอกว่าไม่ต้องห่วงเราพเพราะอัลลอฮ์เมตตาอยู่แล้วพอัลลอฮ์ยกโทษให้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวทําอะไรทําไปเลยเราเป็นคนรักของอลัลลอฮ์ยังไงอลัลลอฮ์ก็ยกโทษให้เมื่อคิดผิดพฤติกรรมที่ตามมาก็เป็นพฤติกรรมที่ผิด หรือบางคนหนักไปก่อ น, นั้นครับบางคนก็คืออลัลลอฮ์บังคับเราอยู่แล้วเราถูกกาหนดทุกอย่างแล้วอัลลอฮ์บังคับเราไปนั้นที่ชั้นชั่วเนี่ยอลัลลอฮ์กำหนดมาแล้วให้ชั้นชั่วฉันไม่มีสิทธิ์เลือกฉันก็ต้องชั่วต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่คิดจะเป็นคนดีด้วยพอมีความคิดที่ปิดผิดพฤติกรรมก็ผิด ไปได้กุญแจดอกแรกครับพี่น้องในการที่ว่าหากว่าเราอยากจะมีพฤติกรรมที่มันเป็นพฤติกรรมของเราที่พอรับตอบรับเนี่ยสำคัญที่สุดประการแรกก็คือต้องเคลียร์อาการที่ผิดให้ออกไปให้หมดเรื่องของเชื่อเรื่องของการเชื่อในเรื่องของศิษย์ศาสตร์เรื่องของความคิดในเรื่องของหมอดูไปเชื่อไปหาหมอดูไปดูว่าเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้จะเป็นอย่างง้นนี้จะเป็นอย่างนี้ถึงแล้วบอกฉันไม่เชื่อแต่ฉันอยากไปฟังพอไปฟังปุ๊บเครียดแล้ว โอ้เขาทักมาว่าจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยมันเป็นจริงๆที่เขารู้จริงให้มันเกิดขึ้นไปเชื่อสิ่งนั้นพอไปเชื่อปุ๊บตกศาสนาโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่สําคัญอันดับแรกพี่น้องเราต้องพยายามทําก็คือพยายามกวาดหัวใจเราให้สะอาดดูว่ามันมีความคิดอะไรที่ผิดอยู่ไหมถ้ามีอะไรที่เราไม่แน่ใจปุ๊บรีบหาคําตอบให้ได้ที่ฉันคิดแบบนี้มันถูกไหมฉันคิดแบบนี้มันผิดไหมฉันกลัวเหลือเกินว่าศาสนาของฉันจะผิดเพราะ ทุกสิ่งทุกอย่างจุดเริ่มต้นมาที่หัวใจทุกสิ่งทุกอย่างจุดเริ่มต้นมาที่ความคิดเมื่อคิดผิดหัวใจผิดปุ๊บทุกอย่างจบหมดเลยเมื่อหัวใจสกปรกคำพูดก็สกปรกพฤติกรรมก็สกปรกเมื่อหัวใจเข้าใจผิดคำพูดก็จะออกมาแบบผิดผิดพฤติกรรมก็จะออกมาแบบผิดผิดเหมือนกับการมองชีวิตของเราพี่น้องถ้าเกิดเรามองให้มันทุกข์มันก็ทุกเรามองว่ามันเหนื่อยมันก็เหนื่อยมันมองว่ามันน่าเบื่อมันก็น่าเบื่อหากเรามองว่ามันแย่มันก็แย่ เรื่องเดียวกันครับคนสิบคนมองอาจจะมองมุมองต่างกันบางคนบอกมันเป็นโอกาสนะบอกคนมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีบางคนบอกมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีบางคนบอกมันเป็นสิ่งที่ต้องออกห่างคนแต่และคนมองแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหัวใจของของเขาว่าหัวใจของเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นครับอันดับแรกสําคัญที่สุดเคลียร์ใจเราให้สะอาดที่สุดเพราะยกตัวอย่างง่งายๆครับถ้าใจเราคิดว่ามันถูก เราไม่มีทางเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับสมมุติว่าใครก็ตามทำบิดอาอย่างเงี้ยทําสิ่งที่มันผิดอย่างเงี้ยแล้วใจเขาบอกว่ามันถูกถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาจะเต่าบาสเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับการฝ่าฝืนทุกอย่างบางคนจะบอกเนี่ยการฟังเพลงแบบเนี้ยมันทําให้ฉันมีอิมานเพิ่มขึ้นพอคิดผิดปุ๊บก็กบฟังเพลงไปเรื่อยๆก็ทำสิ่งที่ผิดไปเรื่อยๆเพราะนั้นหัวใจเนี่ยแหละครับก้อนเล็กๆเนี่ยที่มันอยู่ในอกของเราเนี่ยครับทําให้มันสะอาดที่สุด แล้วยิ่งมันสะอาดเท่าไหร่ก็ตามมันยิ่มีความจริงใจต่อเราเวลาเราทําอามาสเนี่ยเราจริงใจต่อเราแค่ไหนอันนี้ก็ต้องตรวจสอบตัวเองเราจริงใจจริงไหมหรือว่าเราทําไปงั้นๆหรือว่าเราถูกกดดันหรือว่าเราไม่รู้จะทําอะไรหรือว่าเราทําไปแล้วก็เบื่อไปเราทําไปก็บ่นไปทําไปก็เคเรียดไปทําไปก็เกลียดไปหัวใจทั้งหมดเลยพี่น้องกลับมาที่หัวใจหมดเลยการงานจะถูกตอบรับไม่ถูกตอบรับเงื่อนไขแรกเริ่มจากหัวใจ ถ้หัวใจผิดเพี้ยนหัวใจสกปรกจบหัวใจเข้าใจผิดจบหัวใจมันดื้อมันขี้เกียจจบอย่างโรคเซาฟาโรคตัสวีฟอะครับเรีที่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาจากอะไรมาจากหัวใจเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยดีเดี๋ยวค่อยเตาบาเดี๋ยวค่อยละหมาดเดี๋ยวค่อยคุมใ้หยาบเดี๋ยวค่อยเจสกะดเดี๋ยวค่อยทำท่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ความช่วไม่เดี๋ยวเลยความช่วทําบัตรเดี๋ยวนี้เลย ทั้งหมดอยู่ที่หัวใจเพราะฉะนั้นเอาความเชื่อที่ผิดๆออกไปจากหัวใจให้เกลี้ยงนี่คือจุดเริ่มต้นหากเราอยากจะมีการงานที่ดีที่เป็นของเราที่พเัเล้อตอบรับต่อไปครับที่นักวิชาการบอกครับประการที่สองครับเมื่อเราเอาความเชื่อที่ผิดออกไปหมดแล้วถ้าเป็นไกรมากกคือละอีละห้าไม่มีพระเจ้าอดไทั้งสิน้นเอาออกไปให้หมดเลย ต่อไปครับก็ต้องไปขั้นตอนของการที่เอาสิ่งที่ถูกต้องมาไว้ในหัวใจการที่จะเอาสิ่งที่ถูกต้องมาอยู่ที่หัวใจต้องเริ่มจากการที่เราต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักโพลล์สุบฮานัวตาลาอย่างแท้จริงรู้จักว่าโพลล์ส์คือใครรู้จักว่าผู้สร้างคือใครรู้สึกรู้จักว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกสร้าง รู้จักว่าอะไรคือขอบเขตของสิ่งที่ถูกสร้างรู้จักว่าอะไรคือสิทธิที่เราต้องทําเพื่อพระองค์แล้วรู้จักว่าอะไรคือสิทธิที่พระองค์นั้นจะทําให้กับเราต้องรู้จักพระละร์ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ทั้งคุณลักษณะให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และก็พระนามต่างๆของพระองค์เท่าที่จะเป็นไปได้เพราะยิ่งเรารู้จักมากขึ้นเท่าไรเราจะยิ่งมีความสํารวมต่อลอร์และที่มีความตักวาและที่มีความรักเราจะยิ่งมีความหวังและที่มีความ กลัวต่อพระลอสุบฮานุตรามากขึ้นเท่านั้นซึ่งรักหวังกลัวนี่คือองค์ประกอบของคำว่าตักวาซึ่งเป็นกุญแจอดอกเดียวเท่านั้นที่จะทำให้การงานของเรานั้นมีคุณค่านะที่พระลอสุบฮานาหูวะจ่าละซึ่งในที่นี้แหละครับก็คือเป้าหมายหลักๆเลยก็คือการคิดถึงเพราะการรู้จักพกระลอไม่ใช่รู้จักปุ๊บจบรู้จักตอนเช้า ที่เหลือไม่ต้องรู้จักไม่ใช่มันต้องอยู่ตลอดช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ช่วงที่เรายังมีสติอยู่ทุกช่วขณะจิตเวลาเราทําอะไรพยายามคิดถึงพระองค์ทำอะไรง่ายแล้วจะหยิบอะไรขึ้นมาก็บิสมิลลาห์พูดบิสมิลลาห์ให้ติดเป็นนิสัยบิสมิลลาห์แล้วก็รู้สึกจริงๆว่ายาล้าอคอยฉันทํามันได้ยาล้าอคอยมันง่ายได้ยาล้าอคอยสิ่งที่ฉันจะทํานั้นเป็นที่รักหน้าที่พระองค์หากเราพยายามคิดอย่างนี้ให้มากเข้ามากเข้ามากเข้าหัวใจเราจะสะอาดขึ้นเราจะสงบ มากขึ้นแล้วเราก็จะมีความหวังมากยิ่งขึ้นเราจะมีความกลัวต่อพระวสุมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะยิ่งรักพระองค์มากยิ่งขึ้นคนที่ ร, รักรพกระวสุใช้เขาได้รับแต่ความง่ายดายถึงแม้ว่าเขาจะเจออุปสรรคมากแค่ไหนก็ตามในอุปสรรคจะมีความง่ายดายบางทีการเชืเ่อมากแบบคิดไม่ถึงบางทีเราเครียดเรื่องบางเรื่องเครียดเครียดเคิดเครียด บทมันจะหลุดออกไปเมื่อพวกราอนใช่มมันหลุดเดี๋ยวบางทีคลิกเดียวแป๊บเดียวเนี๋ยบางทีเรื่องมันง่ายแล้วมันมาแบบคาดไม่ฝันแล้วมันก็ผ่านไปได้อง่ายได้ผมมั่นใจว่าพี่น้องทุกท่านเคยเจอสถานการณ์รูปแบบทํานองนี้มาแล้วที่แบบอยู่ในช่วงขับขันช่วงที่เราหาทางออกไม่เจอแต่ผลสุดท้ายฟาอินละมาหลอสิยุสรอในหนึ่ความยากลําบากพวกร้อนนั้นก็ใช่มีความง่ายได้มากมายเพื่อมาช่วยหือเราเพราะฉะนั้น ทำใจให้ศาสตร์จากความคิดที่ผิดคุณคิดถึงพวกลอสวาตาทั้งด้วยกับหัวใจทั้งด้วยกับคําพูดพยายามให้มันพูดออกมาพยายามไม่ต้องอยู่แต่ในใจอย่างเดียวก็ได้สุภาอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮุอักบัตมาชาอัลลอฮฺพยายามพูดออกมาให้มันออกมาให้เดรดแสดงออกมาให้มันออกมาจากปากของเราให้มันกั่นมาจากหัวใจแล้วออกมาจากปากของเราเพราะสิ่งที่ออกมาจากปากของเรามันจะกลับเข้าไปในสมองเราด้วย แล้วมันก็จะเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับตัวของเราเองหลังจากนั้นครับพี่น้องครับระบบมี3เงื่อนไขใช่ไหมเงื่อนไขแรกเอาสิ่งสกปรกออกไปจากหัวใจเงื่อนไขที่2พยายามคิดถึงพระองค์ให้มากด้วยกับทุกคุณลักษณะและก็พระนามของพระองค์ประการที่3ครับพยายามทําตัวให้ยุง่งกับการทําอิบารัดาต่อ Allah พี่น้องครับอิบาร์ด้ไม่ใช่เรื่องดุ่งยากไม่ใช่เรื่องซับซ้อนไม่ได้มีแค่ละหมาดไม่ใช่มีแต่ว่าเราต้องทำนะละหมาด ต, ต้องไปละหมาด ต, ต้องไปมัสยิดต้องเป็นอะไรที่มันต้องใช้ขั้นตอนต้องใช้รูปแบบอะไรที่มากมายอิบาร์ด้านั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องอิบาร์ด้าคือทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ได้ที่มันเป็นพฤติกรรมเป็นคำคิดเป็นความเป็นคําพูดเป็นอะไรก็ได้ทุกอย่างเลยที่เมื่อเราทําแล้วพวกเราพอใจทั้งหมดคืออิบาร์ด้ เพราะนั้นมันคืออะไรที่เราทำได้ตลอดเวลาสิ่งที่เรียกว่าอีบาดาเนี่ยพี่น้องไม่มีช่วงไหนของชีวิตที่เราทำอิบาดาไม่ได้นอนทำอิบาดาได้ตื่นทำอิบาดาได้พี่น้องจะกินข้าวพี่น้องจะทำงานพี่น้องจะศึกษาพี่น้องจะเที่ยวพี่น้องจะอะไรเราสามารถทำอีบาดาได้ตลอดเวลาแล้วพี่น้องที่รักครับมันชัดเจนครับเมื่อไรก็ตามที่ เราทําอิบาดะยิ่งทำแล้วยิ่งเครียดยิ่งทําแล้วยิ่งเครียดยิ่งทำแล้วยิ่งเครียดนั่นแปลว่าหัวใจของเรานั้นสกโ ป, ปกมากตามนั้นยิ่งเครียดมากเท่าไหร่ยิ่งสกโ ป, ปกมากแต่นั้นแปลว่าเรายังไม่เข้าใจแปลว่าเราอาจจะเข้าใจผิดหรือเราหลงดุลยามากเกินไปแต่ถ้าเป็นผู้ศรัทธาที่ศรัทธาต่อโพลล้ออย่างแท้จริงยิ่งเราได้ทําอามันอิบาระเพื่อโพลล้อด้วยความจริงใจแบบง่ายๆเนี่ยที่มันใกล้ตัวเนี่ย ยิ่งทำมากเข้ามากเข้ามากเข้ามากเข้าเราจะรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นพี่น้องบางคนรู้สึกดีบางคนบอกไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะรู้สึกดีขนาดนี้บางทีทำเรื่องอะไรง่ายๆบางทีเราไปพบเจอผู้คนด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มเราเจอคนที่กำลังเครียดเราช่วยเขาไม่ได้มากเราพยายามพูดปลอบประโลมเขาเราทักทายเขาด้วยดีเราดูอาเขาให้แก่เขาอย่างจริงใจเราดูอาทั้งต่อหน้าเขาทั้งรับหลังเขา อิบาร์ดามากมายพี่น้องจะกินข้าวก็เป็นอิบาร์ดาได้พี่น้องกล่าวแค่บิสมิลแลรู้ว่าอาหารที่กำลังกินนี้เป็นความเมตตา ม, มาจากพระองค์พยายามกินให้หมดกินโดยใช้มือขวาเท่านั้นกินเสร็จอา่านดวงนี่ก็เป็นอิบาร์ดามากมายมหาศาลผลบุญมากมายมหาศาลอยู่ในการกินข้าว พี่น้องกินอ้ำได้ผลบุญไหมได้ผลบุญเป็นอิบาร์ดาได้พี่น้องใส่เสื้อผ้าเป็นอิบาร์ดาได้ไหมเป็นอิบาร์ดาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอิบาร์ดาคืออะไรก็ตามพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําเนี่ยแหละขอให้คิดถึงพวกลอสอัลบาฮานวุวาตาลามันเป็นอิบาร์ดาได้หมดเลยง่ายไหมง่ายอิสลามไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรเรามีอิบาร์ดาหลักๆเรามีการละหมาดทิมซิมต้องไม่ทิ้งเด็ดขาดนั่นคืออิบาร์ดาหลักๆแล้วเราก็มีอิบาร์ดาในทุก ช่วงขณะจิตของชีวิตของเราเช่นเดียวกันหากเราทําได้ประจําพี่น้องซุบานอว์การงานมีค่าเราจะไม่เครียดกับดุนยาเราจะไม่ตีโพลกับดุนยามากเกินกว่าที่มันจะเป็นเพราะฉะนั้นครับพี่น้องการพยายามทําตัวให้วุ่นเนี่ยกับการทําอามันอิบาดาเนี่ยทําได้ตลอดเวลาพี่น้องทํางานบ้านก็ยุ่งอยู่กับการทำเล็กเสืออ่อนล้อยได้ทําอิบาดาได้ตอนทํางานบ้าน ก็คิดไปด้วยว่าพวกล้อรักความสะอาดเราก็รักที่จะทําความสะอาดเพื่อให้พวกล้อรักเราเราจะสังเกตได้ครับว่าการงานทั้งวันของเราเนี่ยบางทีปัญหาคือมันไปไม่ถึงพวงล้อมันหยุดแค่าการงานแต่มันไปไม่ถึงพระองค์เพราะอะไรครับบางทีเราทําความสะอาดอะทำความสะอา ด, อาาอาดไปเบือ่อจังเหนื่อยจังเลยเนี่ ย, ยทำไมมันสกประปกู่แล้วเราคิดแค้นไปไม่ถึงพวงล้อ แต่้าเกิดเราทําความสะอาดปุ๊บเออเหนื่อยจังเลยอ่ะพวรวรักความสะอาดเราทําให้มันสะอาดนะขออล ร, รักเรานะการทําความสะอาดนั้นเป็นอิบาดาห์ทันทีไปถึงพลวรรคทันทีพวรวรรคตอบรับเพราะทําเพื่อให้พวรวรรคพอใจเพราะนัพี่น้องเราลองมาตรวจสอบมีอะไรบ้างที่เราทําที่มันไปไม่ถึงพวรวรรคทั้งๆ ท, ที่มันควรจะไปถึงพวรวรรคเราทําดีกับคนที่เรารักไหม เราทำดีกับพ่อแม่ไหมเราทำดีกับครอบครัวไหมเราทำดีกับลูกหลานไหมถ้าทำดีการทำดีนั้นไปถึงพวะอัลลอฮ์ไหมเราคิดถึงพระ อ, องค์ไหมเราอยากให้พระองค์ตอบรับไหมถ้าไปไม่ถึงพวะอัลลอฮ์เราต้องเปลี่ยนความคิดแล้วทำยังไงให้มันไปถึงพวะอัลลอฮ์ทำยังไงให้มันเป็นผลบุญสำหรับเราในวันเกียรติหมทำความดีกับคนอื่นทำยังไงให้อัลลอ์รักจะกินข้าวกินยังไงให้อัลลอร์รัก ดื่มน้ำดื่มยังไงให้เอาลออรักใส่เสื้อผ้าใส่ยังไงให้พวกลออรักจะเดินทางจะขึ้นรถจะท่องเที่ยวทำยังไงให้พวกลออรักจะใช้จ่ายจะชอปปิ้งทำยังไงให้พวกลออรักมุสลิมเราจะคุ้นคิดอย่างนี้ตลอดเวลาบางคนจะบอกว่าเครียดมันกดดันอย่างที่บอกครับมันอยู่ที่ว่าคุณให้ความสําคัญกับอิสลามมากแค่ไหนคุณให้ความสำคันญกับพวกลออร์มากแค่ไหนถ้าคุณไม่ให้ความสำคัญเลยทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเหนื่อยครับ เหนื่อยแน่นอนเป็นผู้ศรัทธาไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับถ้าไม่ใช่บุคคลที่พวัวะันให้เขาได้รับความง่ายได้การเป็นมุสลิมเนี่ยลําบา ก, กับพี่น้องอันนั้นก็กินไม่ได้อันนี้ก็เที่ยวไม่ได้อันนี้ก็ใส่ไม่ได้อันนั้นก็ทําไม่ได้อันนี้ก็พูดไม่ได้สารพัดสารเพยถ้าคนคิดว่ามันลําบากมันก็ลําบากแน่นอนแต่ถ้าคิดว่ามันเป็นกรอบที่ทําให้เราสะอาดเราจะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็จะรู้สึกถึงคุณค่าในตัวของเราเอง และทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยครับมันก็รวมไปถึงการขัดเกลจิตใจของเราซึ่งในวันนี้ที่อยากจะเตือนตัวผมแล้วก็พี่น้องที่ผมรักการขัดเกลาจิตใจของตอนนั้นควรจะให้เป็นพฤติกรรมไม่ใช่การหลอกตัวเองไม่ใช่เป็นการหลอกตัวเองบางคนพอทำความดีปุ๊บจะหลอกตัวเองฉันเป็นคนดีแล้วอลลอรักฉันแล้วฉันได้ทำอะมันเยอะแล้ว พวกรักษาเขาว่าฟะละตุจักกูอังฟุสะ ก, กุมหัวอาละมูบีบานิตตะก อ, อนิสระณัเชเจ้าจงอย่าได้ยกหางตัวเองอันนี้แปลเวอร์ชั่นผมอย่าได้ยกย่องตัวเองอย่าได้ให้ความสะอาดกับตัวเองอย่าได้บอกว่าตัวเองนั้นดีเลิศประเสริฐสีเพราะอะไรครับเพราะพวกร้อนนั้นย่อมรู้ดีว่าใครที่เป็นผู้ที่ตักกว่า แปลว่าคำว่าประเสริฐเนี่ยสําหรับพู้ล้อคือคําว่าตักกว่าไม่ใช่ว่ารวยไม่ใช่ว่ามีคนนับหน้าถือตาบางคนบอกเนี่ยใครๆก็รักฉันแปลว่าฉันเป็นคนดีใครๆก็ยกย่องฉันแปลว่าฉันเป็นคนดีเนี่ยฉันบริจาคมากมายเนี่ยฉันสร้างมัสยิดสฉันทําอย่างนั้ฉันทำนี้แปลว่าฉันเป็นคนดีคนรอ้อไม่หัวอะแล้วมูบีมานิตตะกอผู้ล้อรู้ดีว่าใครทําเพื่อให้ผู้ล้อพอใจพี่น้องจําได้ใช่ไหมครับถึง บุคคลที่ลงนรกก่อนใครเพื่อนคือแทนที่จะรอให้อิบราฮรอให้อะไรลงนรกไปก่อนเนี่ยโดนลงนรกก่อนใครเพื่อนใครครับคนทําความดีทั้งนั้นเลยสามคนแรกที่ทําความดีลงนรกก่อนใครเพื่อนเลยก่อนที่คนื่นจะลงนรกสามคนมีใครครับคนที่บริจาคดีไหมดีลงนรกก่อนใครเพื่อนคนที่สองผู้รู้อย่างผมนาอูรุบิลไลมินดาลิกเนี่ย สอนสั่งพี่น้องเนี่ยถ้าพลาดก็ถ้าหลุดมาเป็นกลุ่มนี้นี่ก็เดือดร้อนเหมือนกันขออักมุมของพวกเราผู้รู้ดีไหมดีครับถ้าสอนสั่งเนี่ยแต่คนนี้กลับเป็นผู้รู้ที่ลงนรกก่อนใครเพื่อนเพราะผู้รู้นรกก่อนใครมีนะพี่น้องคนรวยลงนรกก่อนใครก็มีนะพี่น้องแล้วก็คนที่ตายชเฉียดโอ้ความตายในฝันของมุสลิมทุกคน ท่านนบีมสุสลิมสบอมันแม่แต่วลามยากสู่วลามยอยู่ฮัตย์ยึดนับสูบิลกัสวมาต่มีตรันชัยริยาใครก็ต่างที่เสียชีวิตโดยไม่ได้ตายเพราะว่าตายเพื่ออ่าชีฮัดเนี่ยหรือว่าไม่ได้คิดว่าอยากจะเสียสละเพื่อพวกลอ เ, เขาตายในสภาพของคนที่โง่เขายุคที่โง่เขาตายชีดเนี่ยมุสลิมอยากตายสีดทุกคนเพราะมันเป็นการรับปาาระกันจุดจบของเราว่าเป็นจุดจบที่อล ร, รักแต่ คนตายชีวคนนี้ลงนรกก่อนใครเพื่อนนะบริจาคลงนรกก่อนใครเพื่อนมีความรู้สอนคนอื่นลงนรกก่อนใครเพื่อนชีฮัดลงนรกก่อนใครเพื่อนทำความดีที่ดีสามประเภทซึ่งเป็นสุดยอดความดีสุดยอดความดีครับผู้รู้คือทายาทของนบีดีไหมดีผู้ที่บริจาคผลบุญมหาศาลหนึ่งความเหมือนกับหนึ่งเม็ดที่เพาะปลูกไป ยกเงยมาเป็น700ดรอดวงหรือได้มากกว่านั้นผลบุญมหาศาลไม่มหาศาลคนตายเฉยิดผลบุญมหาศาลสุดๆอะไรทําให้พวกเขาลงนรกทั้งๆ ท, ที่พวกเขาทําความดีไม่ใช่ความดีธรรมดาเป็นสุดยอดความดีเขาทําสุดยอดความดีแต่เขากลับลงนรกก่อนใครเพื่อนคําตอบก็คือเพราะเขามีหัวใจที่สกรปรกเพราะเขา บัวแต่ยกย่องตัวเองยกย่างตัวเองยังไงครับถ้าในฮะดีษเนี่ยท่าน อ, รรอรรับดุลสลามสั่งมาถึงเวลามันเกียมมาพว้อาวุโก็จะเอาคนสามกลุ่มนี้มาแล้วผู้อาวุโก็จะให้เขาดูว่าพู้อาวุโสเคยให้เนืมาอะไรเขาบ้างความโปรดปรานอะไรบ้างในดุ n ยาเขาได้รับไรจากกับเราบ้างแล้วพู้อาวุโสก็จะถามเขาว่าเจ้าทําอะไรบ้างล่ะ คนรวยก็จะบอกยาล้อยเนี่ยผมก็เนี่ยเอาล้อยทรัพย์สินผมมากมายเลยเกินผมก็เลยบริจาคเพื่อพระองค์คิดว่าได้แล้วรอดแล้วสบายแล้วฟูล่าใช้คำว่าไงครับแกรับแต่เจ้าโกหกเจ้าโกหกเจ้าบริจาคเพื่อให้คนยกย่องว่าเจ้าเป็นคนใจดีใจบุญแล้วเขาก็พูดแล้วได้ตามเนียดแล้ว เจ้าจะไม่ได้อะไรจากข้าเพราะว่าล็อกยิสังเมติกาให้ลากไขหน้าลงไปในไฟนรกเลยนิยจาคิดว่าตัวเองดีแล้วไงคิดว่าตัวเองเฉันเป็นคนใจบุญเนะี่ยผมเป็นคนใจดีฉันบริจาคนั่นนะแต่ชื่อฉันต้องติดนะถ้าใครไม่ยกย่องฉันใครไม่ดูอาให้ฉันใครไม่ทําดีให้ฉันเนี่ยฉันจะโกรธฉันจะเกลียดนั่นใจไม่บาริสุทธิ์ทำสิ่งที่ดีแต่ไม่ถูกตอบรับการงานของใครตกลงทําให้คนอื่นชมไม่ใช่ทําเพื่อตัวเองทําให้คนอื่นชม แล้วคนอื่นก็ชมแล้วด้วยพอร์ล็อตบอกในเมื่อคนอื่นก็ชมทำไมข้าต้องตอบรับเพราะพอร์ล็อตสบาร์ได้กล่าวในทิดกุสีว่าอาณาอากานชุรกาอานิเชียร์ขาร่ำรวยเกินกว่าจะมีพาคีใครทำอะไรสักอย่างเพื่อค่แล้วก็พ่วงสิ่งอื่นเข้ามาด้วยข้าจะให้เขาอยู่กับสิ่งอื่นคืออัลลอฮ์ไม่รับพวรรับแต่สิ่งที่ดีงามเท่านั้นเพราะพอร์ล อิ ล, ล, ละรหัสต่อญี่ปุนละยักษ์บรูอิลาต่อญี่ปุนเพราะว่าเป็นผู้ที่ดีงามเพราะว่ารับแต่สิ่งที่ดีงามเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่ยี่ปุ่นนี่กับพระองค์รับกับมีอะไรแอบแฝงเข้ามาพระองค์ตัดทิ้งเลยนะพี่น้องเพราะฉะนั้นการางานที่บริจาคแทนที่จะดีรอดไหมไม่รอดเพราะมัวแต่ยกอย่างตเองว่าฉันเน่ยดีแล้วไม่ได้เคยตรวจสอบตัวเองว่าตกลงฉันบริจาคฉันทำอะไรผิดไหมฉันไปหวังให้คนอื่นสารเสริญยันยอนหรือเปล่าฉันไปหวังให้คนอื่น ตอบแทนไหมฉันไปหวังให้คนอื่นขอบคุณไหมไม่ได้ตรวจสอบตัวเองเมื่อไม่ได้ตรวจสอบตัวเองก็ไปหาผู้ล้อในสภาพของหัวใจที่ไม่ได้รับการตรวจสอบแล้วมันเป็นการงานที่สอบตกมันก็ตกคนที่สองคนที่มีความรู้ผู้ล้ อ, อ ก, ก็เอาเข้ามาแล้วก็ให้เขาดูความปวดปานเที่ยวล้ อ, อคือให้แล้วก็ถามเจ้าทําอะไรเพื่อขาบังเขาก็บอกยาวล้อเนี่ยผมศึกษาเพื่อพระ อ, องค์แล้วผมก็สอนเพื่อพระ อ, องค์แต่ผมสอนให้คนได้เรียนรู้สอนให้คนได้รู้อะไรมากมาย บออัลลอฮฺซุบฮาบะฮันวะตาบอกว่าไงครับกาดับแต่เจ้าโกโหกยาอูดุบิลละเจ้าโกโหกเจ้าสอนผู้คนเพื่อให้ผู้คนยกย่องว่าเจ้าเป็นผู้รู้แล้วเขาก็ยกย่องเจ้าแล้วไงถึงเวลาไงฉันเป็นคนรู้เนะี่ยฉันรู้มากกว่าคนอื่นเนี่ยฉันเก่งกว่าคนอื่นฉันดีกว่าคนอื่นดูสิมีคน ได้ไประโยชน์จากฉันมากมายมีคนเข้ารับอิสลามจากฉันมากมายมีคนเรียนรู้มากจากการฉันมากมายเนี่ยมียอดไลค์มียอดฟ like, อลโลมีอะไรมากมายมหาศาลเนี่ยดูสิฉันดีแค่ไหนขัดเก้าตัวเองคิดว่าตัวเองดีขัดเกาว่าที่นี้ไม่ใช่ความหมายที่ดีนะขัดเกาา น, นี้คือ ย, ยกห่างตัวเองเน่ะเวลาดุจักกลงผู้ส ก, กูลเนโอ้ภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นถึงเวลาโลกหน้าพวกเราบอกเจ้าโกหกเจ้าสอนเพื่อให้คนยกย่องว่าเจ้าเป็นผู้รู้แล้วเขาก็พูดแล้วเจ้าได้รับในสิ่งที่ต้องการ เจ้าจะไม่ได้อะไรจากข้าพวกเราก็สั่งให้ลากชายคนนี้โยลงไปเฟรนในโลกต่อคนสุดท้ายเช่นเดียวกั น, นครับคนตายเฉียดพวกเราก็ให้ดูความปวดปานที่เขาเคยได้รับจากพกงษ์ทั้งหมดพวกเราก็ถามว่าเจ้าทําอะไรเพื่อข้าบ้างเขาก็บอกยาวล้อเนี่ยผมทุ่มเททั้งหมดเพื่อพงษ์แล้วผมก็ตายเพื่อพงษ์พวกเราก็บอกว่าเจ้าโกหกไอตอนที่เจ้าทุ่มเทไปเนะี่ยที่เจ้าตายเฉียดเนี่ยเจ้าอยากให้คนชมว่าเจ้าเป็นคนที่ห้าวหาญ เป็นคนที่กล้าหารเขาก็ชมแล้วเจ้าจะไม่ได้อะไรจากข่านี่คือความน่ากลัวครับของคนที่ว่าคิดว่าตัวเองดีฉันดีแล้วแล้วก็มีการงานดีๆที่ทำฉันบริจาคมากมายแล้วฉันสองคนมากมายแล้วฉันได้ตายเพื่อผู้คนเหรแล้วแต่ไม่ได้ตรวจสอบตัวเองอย่างจริงจังผลก็คือความ ด, ดลร้อนก็บังเกิดจากเขา พี่นังเที่ยงประหลาดครับในสุนทระนุษย์ข่าวว่า ولو لفظ الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي ما يشاء والله سميع أعلم ในสุนลรมนุษรครับวรา a l บอกไงครับหากไม่ใช่เพราะ Allah เมตตาเจ้าหากไม่ใช่เพราะ a เ AH มตตาเจ้าก็จะไม่มีใครสักคนแม้แต่ คนเดียวในหมู่ของพวกเจ้าที่ได้รับการขัดเกลวหัวใจให้สะอาดซักผูลอและซักผู้ล้อประตูอะไแปลว่าหัวใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะทําลายการงานที่ดีของเราหัวใจของเราพร้อมที่จะเย่อหยิ่งจองหองเพิ่มที่พร้อมที่จะสกระปร ก, กราะบอกถ้าไม่ใช่ล้อเมตตาเนี่ยขัดเกลวหัวใจให้เจ้าเนี่ย네หัวใจของพวกเจ้าไม่มีทางสะอาดเพราะเจ้านั้นรักสิ่งที่สกรปกรกเบลิและเวลากินอร่อยจักกีไมายาช่าแต่ผู้ล้อนั้น จะขัดเกลวหัวใจของบ่าวผู้ที่พงทรงประสงค์พงเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้คือรู้ว่าใครคู่ควรที่พวกนั้นจะขัดเกลวหัวใจกับเขาเพราะนั้นพี่น้องครับเวลาทําความดีเนี่ยนักวิชาการหลายๆท่านก็จะย้ํากับพวกเราเป็นประจำก็คือพยายามขอดยให้รับตอบรับพยายามตรวจสอบอย่าทํำลายการงานของเราด้วยการไปลําเลิบด้วยการไปโอ้อวดด้วยการไปรู้สึกดีเกินงามหรือว่าด้วยการไปทําสิ่งที่ผิด เพราะการงานที่ดีไม่ว่าจะมากมายขนาดไหนก็ตามจะไร้ค่าหากโพลล์ไม่รับหากมันไม่ใช่การงานที่โพลล์รับเพราะฉะนั้นการงานของเราตกลงการงานของเรานั้นมันเป็นของเราหรือว่ามันเป็นการงานที่ทําให้เราเดือดร้อนอันนี้เป็นประเด็นที่เราต้องคิดใหมากครับพี่น้องหลายคนเข้าใจผิดเรื่องความเข้าใจผิดหน่ยเยอะในสโลว์เจอร์บอกกล่าวไงครับ กอร์ติลอารอบุอามันเนะ่กุลลำตุมินุวาลากินกูรุอสลมนะ่พเพราะว่าก่ว่าจะมีชาวอาหรับชนบทมาหาเจ้าแล้วก็บอกว่าเราศรัทธาแล้วเราศรัทธาแล้วคืออยากจะมาประกาศให้ท่านบิบิรู้ว่าตอนเนี้ยศรัทธาแล้วเป็นผู้ศรัทธาแล้วพวกเราบอกไงครับจงบอกเขาว่าให้บอกว่าเรายอมจำนนแล้วไม่ให้ใช้คำว่าเราศรัทธาแล้วแต่ให้ใช้คำว่าเรายอมจำนนแล้วเพราะอะไรครับ <P> erm <ain> เพราะการศรัทธามันยังไม่ได้เข้าไปในหัวใจของเขาจริงการศรัทธายังไม่ได้เข้าไปในหัวใจของเขาอย่างแท้จริงเขายังไม่รู้สึกถึงความศรัทธาเขายังมีความหญิ่งยโสอยู่เขายังมีความหญิ่งจองหองอยู่แล้วเมื่อไรก็ตามที่เขายังมีความรู้สึกหญิ่งจองหองอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ครับที่ความชั่ยกับความดีจะรวมอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธา โดยเพราะสิ่งที่ตรงกันข้ามกันเนี่ยรวมกันเป็นไปไม่ได้ความอ่อนอ้อนทํามตนกับความหญิงยโสรวมกันไม่ได้ห น, นอนน้องถ่อมตนพัวลอ ร, รักหญิ่งยโสพัวล้อเกลียดหากไม่หญิงยโสปุ๊บพัวล้อก็เกลียดไปเลยเพราะฉะนั้นระวังตัวให้ดีพี่น้องใจเราเนะี่ยมันพร้อมที่จะเลวร้วายใช่ไหมพัวล้อเกล่าไ้ครับว่ามาอยูกับชูหัลบีโฟอุเลยเจ้ามือมุฟลีฮุนใครก็ตามที่เขาระวังตัว จากความขี้เหนียวของหัวใจของเขาได้พวกเขาเหล่านั้นแหละคือบุคคลที่ประสบชัยชนะใจเรามันขี้เหนียวใจเรามันขี้เกียจใจเรามันอยากสบายใจเรามันมีแต่สารพัดสิ่งที่ไม่ดีพี่น้องพอเราก็บอกว่าพยายามสู้กับมันสิพยายามสู้กับมันแล้วผู้ใดที่สามารถเอาหัวใจของเขาอยู่ผู้นั้นแหละคือผู้ที่ประสบประสบชัยชนะแล้วซึ่งในใจของเราเนี่ยใจมันชอบสะซิบอยู่แล้วใช่ไหม มีชัยตอนกระซิบอีกสองอย่างกระซิบให้เราทําความชื่วเพราะว่าแกบว่าบาร์ลอนคอลักเนอินเซอนะบันาละมูมาตูว์สวิสุบิฮีนับซุบบัวนาอัครบุญและฮีมินฮาบริลวานิดแน่นอนเราสร้างมนุษย์มาแล้วเราก็รู้ถึงสิ่งที่เขากระซิบกระซาบในใจของเขาเองบางคนบอกเขาจะรู้สึกว่าเขาเหมือนกมีคนสองคนมีตัวเขาแล้วมีคนคอยกระซิบกระซาบไอ้ที่คอยกระซิบกระซาบนะตัวเขาเองพี่น้อง ในอายักกุลางนี้ปุ๊บเราบอกมันคือตัวเขาเองมันไม่ใช่คนอื่นเลยมันตัวเขาเองไม่งั้นก็เป็นชัยตอนที่คอยกระซิบกระซาบให้เขาบางคนบอกที่มันกระซิบบางทีก็กระซิบดีบางทีก็กระซิบไม่ดีนั่นแหละตัวเขาเองแหละคือไม่ต้องมานูไม่มีงานอื่นเข้ามาตัวเขาล้วนๆเ พ, พราะพวกเราบอกในกุลางตรงนี้ชัดเจนว่าเรารู้ดีถึงสิ่งที่ตัวของเขากระซิบกระซาบกันในใจของเขาแล้วเรานั้นอยู่ใกล้ชิดกับเขายิ่งกว่าเส้นเลือดที่คอของเขาซะอีก สเสลี่ยที่คอของเรามันใกล้ชิดไม่พอสําคัญกับเรามากถ้าขาดไปเราตายทันทีพราว่ามีความสําคัญกับเรามากยิ่งกว่านั้นใกล้ชิดกับเรามากยิ่งกว่านั้นครับเพราะฉะนั้นการงานของเราการงานของใครลาอุคซมโมบิอุมะริกามะว่ลาอุคซิโมบินนับสินลาวามาขอสาบานต่อวันเกียรมะขอสาบานต่อชีวิตที่รู้จักตําหนิตัวเองนี่คือคีย์เวิร์ดสําคัญครับที่จะทําให้เรานั้น สอบผ่านใจของเราต้องไม่ใช่ใจที่ชอบยกยอตัวเองต้องไม่ใช่ใจที่ชอบเข้าข้างตัวเองแต่ต้องเป็นใจที่ชอบตําหนิตัวเองเท่านั้นครับพี่น้องซอบ้ากลัวกันเป็นมูนาฟิกทําอะไรผิดปุ๊บฉันเป็นมูนาฟิกหรือเปล่าใจที่เต็มหนิ้ตัวเองพอมีความเกลียดค้างปุ๊บโอ้ใจที่เกลียดค้างของฉันทําไมฉันถึงเกลียดค้างตําหนิตัวเองพี่น้องตําหนิตัวเองให้มาก ไม่ใช่ตำหนิเพื่อที่เราจะได้เป็นคนหมดอะไรตายอยากไม่ใช่ตำหนิแล้วเรากลายเป็นคนที่กดดันเป็นคนที่เก็บตัวเป็นคนที่ฟุง้งซ่านเป็นคนที่เป็นโรคจิตรหรือว่าอะไรไม่ใช่เก็บตัวแบบนั้นไม่ใช่ว่าตำหนิตัวเงแบบนั้นแต่ตำหนิเพื่อที่เราจะได้เป็นบาตที่รักของเลาการตำหนิมันมีมากมายตำหนิมีมากมาย แต่การตำหนิของเราต้องตำหนิเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นบาวที่พวอเลาะรักแล้วเมื่อ น, นั้นแหละครับการงานใดก็ตามที่เราทำอินชาลอะมันจะเป็นการงานที่พ่อเลาะตอบรับครับผมเพราะนั้นครับที่พูดมาถึงตรงนี้นะครับการขัดเกลาจิตใจทั้งหมดเนี่ยครับถ้าเราดูปุ๊บมันก็สรุปก็มีแค่3ขั้นตอนมีในเรื่องของหัวใจลิ้น กับความคิดแล้วก็พฤติกรรมที่ออกมาทั้งหมดนี้รวมกันครับถึงจะเป็นการงานที่งดงามที่สำคัญนะพี่น้องอินน uh uh ัลลอฮะลาอยไกรุมาบิเกลมินฮะตาอยู่ไกยิรุมาบิอังฟุซิฮิมผู้ร้อนนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มชนใดจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองซะก่อนอยากเป็นคนดีให้ร้อรักใช่ไหมอยากมีการงานที่ทำแล้วผู้ร้อนตอบรับใช่ไหม มันต้องเริ่มจากใจเราที่ปรารถนาอยากจะทําอยากให้ผู้ลอรับแล้วก็อยากจะรอดผลจากความเกิดกิ่วของผู้ลอสุบฮาหนะฮุบตาลาครับผมในส่วนของทับซีดกุรานสุรุตุนอลาวันนี้เราหยุดกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสุรุตุนอลาในอินชาอัลลอฮ์เราน่าจะคุยกันอีกประมาณ3ตอนแล้วเมื่อจบส่วนนี้นะครับเราอาจจะพักจากช่วงของทับซีดแล้วก็จะไปคุยกันในคอร์สของพานามของผู้ลอร์นะครับผมถ้าท่านใดมีข้อเสนอแนะชี้ ชีเแนะนะครับข้อแนะนาใดๆก็ยิดีต้อนรับทุกข้อแนะนำข้อชีแนะนะครับผมแปลว่าอินชาอัลลสุลตุดอัลลาเราน่จะจบในปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าก็ขึ้นกลับไปคอสพนันของพวกันาอินชาอัลลรัลลอฮนะครับผมเพื่อนิสลามมาครับอัลกุสามุสลมัตุลลอฮฺบารกาตุนสกีมะมัดอัลฮัมดิลลาบารักัลลอฮฺฟกุมครับผมกุณซาสลามาอัลกุสามุสลมอัตุลลอฮฺบารักาตุเช่นเดียวกุบ ชรีอะนะครับรับชมต่อบารัคัลลอฮ์ฟีกีครับเจซาคุมลาห์ค่อยรังครับผมขอบคุณพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับทั้งพี่น้องที่ผมเห็นข้อความแล้วก็ไม่เห็นข้อความแล้วก็ขอดูอาจากโพกลัสซุบฮะในหัวตาลาครับให้ให้ความตักวาแก่หัวใจของเราให้ให้ความยำเกีงต่อหัวใจของเราแล้วก็ขอให้เรานั้นเป็นบ่าวที่พงรักทั้งดุนยาแล้วก็ในอาคิราอขอให้การงานที่เราทํานั้นทุกการงานเป็นการงานที่ ผัวล้อพ่อพระไทยถ้ามันเป็นการงานที่ผิดขอผัวล้อเปลี่ยนให้มันเป็นการงานที่ถูกแล้วก็ขอให้ผัวล้อตอบรับมันใครที่มีความทุกข์เศร้าในหมู่ของพวกเราก็ขอให้ผัวล้อนั้นให้ความสบายใจปลอบใจเขาให้เขานั้นมีความรู้สึกที่ดีใครที่มีหนี้สินยาวล้อปวดช่วยให้เขานั้นได้รับการปลดเปื้องในเรื่องหนี้ศินใครก็ตามที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพขอให้เขามีพลานามัยมีความแข็งแรงแล้วก็ขอให้โรคภัยที่เขาเป็นนั้น อยู่ในตาช่างที่ดีงามที่งดงามของผู้ลอสุบฮาหนนะฮุบอตาลาใครก็ตามที่ต้องการสัจธรรมยาวล้อปรดนำทางพวกเราทุกคนสู่สัจธรรมที่ผู้ลอรักใครก็ตามที่ยังอยู่บนความหลงผิดยาวล้อปรดให้เขานั้นได้มองเห็นสัจธรรมโปรดให้โอกาสเขาได้กลับเนื้อกับตัวขอให้เขานั้นได้เป็นบ่าวที่ดีของพงตลอดไปเช่นเดียวกับที่ขอให้ หัวใจของพวกเรานั้นรักบรรดาผู้ศรัทธาขออย่าให้หัวใจของเรานั้นมีความเกลียดชังบรรดาผู้ศรัทธาแล้วก็ขอพุ่เลาะยกโทษบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแล้วก็ให้ไปพวกเราแล้วก็ขอให้พวกเรานั้นอยู่ร่วมกับคนดีๆตลอดไปครับอันอากูลกาลีฮะดาบัสักุลลอฮ์ลีบัลละุมวลิซัลิมสติมีนมินคุลดาบัสักฟิรุอิ น, นุวัลกัฟุดอรอฮิมครับจนกว่าจะพบกันในครั้งต่อไปขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ช่วยอานะครับคุณอาสาาคุณปทวีพี่วัีนะครับบารัคุลลอ สำหรับวันนี้ครับเพียงเท่านี้วันพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันต่ออินชาลลอครับัสดงมาริกุม้มประทุมว่าวบารักาทู่ครับ